บัรนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายเสือต่อไปนัย่แห่งคำถามตอนต่อไปท่านอุทยมนบจะกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจา้าเป็นใจความว่าโลกท่องเที่ยวไปอย่างไรวิญญาณจึงจะดับ พวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้มาฟ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อกราบทูลปัญหาข้อนี้ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้จัดตอบคําถามแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งว่าโลกละความเพลิดเพลินมีสติละความเพลิดเพลินในเวทนาจะได้แล้ววิจญาณ์จึงจะดับ จากพระพุทธดำรัสที่ทรงแสดงนั้นในเชิญคำตอบและเชิญคำถามตัวคำถามท่านผู้ถามมีความเชื่อที่เป็นข้าวของพรามอยู่เป็นนันมากคือมองเห็นว่าวิญญาณเป็นตัวเดินทางไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ แต่เพื่อที่จะให้หลุดพ้นจากการเดินทางไปสู่พบน้อยพบใจทำอย่างไรจึงจะสามารถดับได้พระบูมีพระาักจะจึงทรงสแสดงไปที่ตัวเวทนาคือใจที่มีความเพลิดเพลินอยู่ในเวทนาทั้งหลายพอเป็นตัวการให้บุคคลต้องเวียนว่าย อยู่ในความสุขความทุกข์และในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องการให้วิญญาณดับไปก็ต้องเป็นผู้มีสติในการดำรงชีวิตละระงับดับเวทนาทั้งหลายจะได้วิญญาณก็จะดับพระพุตธํรรัดข้อนี้เป็นการแสดงผลสูงสุด ในทางพระพุทธศาสนาติันชัยสำวรวจบาลีว่ามีพระอรหันต์เป็นยอดเพราผู้ถามมุ่งความหลุดพ้นจากสังสารทุกข์ในการตอบก็ตอบเพื่อให้หลุดพ้นจากสังสารทุกข์เช่นเดียวกันแต่การที่ทรงแสดงที่เวทนาคือความสวยอารมณ์ ว่าเป็นตัวการให้เกิดความเพลิดเพลินอยู่ในโลกจนถึงกระเวียนไหวอยู่ในโลกนั้นจึง เ, เข้าใจว่าเป็นโวหานในการเทศในการเทศแต่และคราวนั้นผู้ฟังสามารถเข้าใจโดยวิธีอย่างไรได้ดวยเรื่องอะไรก็จะนำเรื่องเหล่านั้นมาชี้แจงมาแสดง ข้อนี้จะพบว่าที่จริงเบทนาแล้วก็เป็นผลที่ต่อเนื่องมาจากเหตุคือการประจวบกันของอายตนะภายในและภายนอกคือตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นแต่และอย่างนั้นก็ก่อให้เกิดเป็นวิญญาณคือความรู้อารมณ์ทั้งหลายขึ้น แตรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามสรุปรวมรวมดรวยว่าวิญญาณก็มาจากโคกแหลงได้กันอาศัยอายตนะภายในภายนอกที่ก่อให้เกิดเป็นวิญญาณขึ้นมามันก็กลายเป็นสัมผัสคือการกระทบพอกระทบก็เกิดเป็นเวทนาขึ้นมาเวทนาโดยลักษณะของเวทนาที่ท่านเรียกเต็มก็เรียกโดยเหตุเกิดของเวทนาเหล่านั้นว่า ความสวยอารมณ์ที่จักสุเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยหมายความว่ามีความรู้สึกเป็นสุเป็นทุกข์หรือเฉยเฉเพราะตาเห็นรูปเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยความรู้สึกสุทุกข์หรือเฉยเฉยเพราะตาได้เพราะหูได้ยินเสียงเป็นปัจจัยเป็นต้นแล้วก็เรื่อยไปจนถึงมนุสสัมผัสชาเวทนา เวทนาที่สวยอารมณ์อันเกิดขึ้นเพราะใจไปตุึกนึกถึงธรรมารมเป็นปัจจัยซึ่งก็หมายความว่าแหลงเกิดของเวทนาก็มีอยู่สามหกแหล่งคือเกิดจากการที่ตาเห็นรูปผู้ฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นเลียมรสกายถูกต้องเย็นร้อนอดแข็งและใจตุึกนึกถึงอารมณ์เวลาอายตนะภายใน ไปสัมผัสหรือกระทบกับอาญตนาภายนอกนั้นก็จะปรากฏออกมาเป็นเวทนาสามเวทนาใหญ่ๆอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดถ้าเกิดพอใจก็เกิดสุขเวทนาทาไมพอใจก็เกิดทุกขเวทนาถ้ารู้สึกเฉยๆก็เกิดเป็นอุทกกรมสุขเวทนาจะเป็นการแสดงให้เห็นว่า เวลาจะนําไปชี้แจงแสดงสั่งสอนนั้นอาจจะสอนในตรงไหนก็ได้บางครั้งอาจจะพบว่าทรงใช้รูปเสียงกิดรถบางครั้งทรงใช้ตาหูจมูกดินกายใจบางครั้งทรงใช้วิญญาณบางครั้งทรงใช้สัมผัสแต่ในที่นี้ทรงใช้เวทนาและอาจจะพบในที่อื่นที่ทรงใช้สัญญา ใชสัญเจตนาใช้วิตกใช้วิจารด้วยชายอารมณ์เหล่าอื่นคือสรุปว่าจิตที่กำหนัดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมนามให้บุคคลต้องท่องเที่ยวแวกไววอยู่ในสังสารทุกด้วยประการต่างๆเพราะนั้นถ้าต้องการจะให้วิญญาณซึ่งในที่นี้เน้นไปที่ปฏิสนธิวิญญาณ แต่กายวิญญาณที่นำให้ไปอุบัติบังเกิดในคติพบต่างๆดับไปอย่างสิ้นเชิงนั้นในที่นี้ก็ส่งเน้นไปที่การดับที่เวทนาทีนี้ความรู้สึกเป็นสุขคือเพลิดเพลินในสุขเวทนาหรือไม่ชอบใจในส่วนที่เป็นทุกขเวทนาก็ตามแล้วก็มองกลับไปว่า เวทนานั้นถ้จริงก็เป็นเพียงผลแก่ก็เป็นเจตสิกประการหนึ่งเกิดขึ้นปรุงแต่งกิจประการหนึ่งเหมือนกันมันตัวการจริงๆจึงเกิดมาจากกิเลสเช่นว่าเกิดกำหนดอารมณ์ว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจก็เป็นสุกเวทนาหมายความว่าเราก็มีความรู้สึกเดือมนาจโลภะในสิ่งนั้น บางครั้งก็เกิดเป็นทุกเวทนาขึ้นมาเราแสดงว่าเราเกิดความรู้สึกที่เป็นโทสะในอารมณ์เหล่านั้นหรือในสิ่งดหลนั้นในเชิงของการปฏิบัติแล้วก็คงเป็นการปฏิบัติเพื่อดับเวทนาแต่การที่จะดับเวทนาได้มันก็ต้องถ่ายถอนความยึดติดในเวทนาออกไปปัจจัยที่ก่อให้เกิดความยึดติดในเวทนาก็คือกิเลสทั้งหลาย ถึงตามปกติแล้วมักจะทรงใช้คาว่ากาหะคือความยึดถือเดิมนาาตันหาบ้างมานะบัางทิฏฐิบ้างแต่บางครั้งก็อาจจะใช้อุปาทานอีกสี่ประการคือยึดถือด้วยอำนาจการบ้างพบบัางทิฏฐิบ้างอาวิชชาบัางจะสรุปว่าเป็นการยึดถือด้วยอำนาจของกิเลสนั่นเองธรรมะที่จะต้องใช้ในที่นี้ เราส่งเน้นไปที่สติแต่การใช้สติพึงเข้าใจว่าเป็นธรรมะที่เกิดสนับสนุนกันกันกบสัมปชัญญะหรือปัญญาหมายความว่าให้มีสติปัญญาในการดำรงชีวิตอารมณ์ที่ก่อให้เกิดเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ตามที่ผ่านไปนั้นจริงๆมันก็ผ่านมาตั้งแต่ตายเป็นรูปเป็นต้นแล้ว ในการปฏิบัติช่วงนี้จึงส่งสอนให้มีหลักของอินเสียสังวรคือสํารวมระวังอินทรียไม่ดูไม่เห็นใช่บ้างก็เป็นการดีถ้าเกิดดูเกิดเห็นก็ระวังใจของตนเอาไว้ไม่ให้เกิดกำหนัดเกิดขัดเรืองในอารมณ์เหล่านันพระถ้าเกิดกำหนัด ก็จะมีความเพลิดเพลินยินดีเรื่องลงอยู่ในอารมณ์นั้นๆเพราะอาศัยสุขเวทนาเป็นเหตุถ้าเกิดัดเคืองก็จะเกิดขับแค้นอึดดัดประสบกลายเป็นทุกขเวทนาในอารมณ์ดอนั้นทั้งสองประการนั้นจะมีปัญหาด้วยกันทั้งสองฝ่ายความกำหนดเิ่มหน้าความเพลิดเพลินนั้น บางครั้งก็ชี้ให้เห็นเป็นรูปธปรรมจนทรงแสดงถึงบุคคลจะเดินทางเข้าไปสู่ความตายโดยไม่ได้กกสาระแก่นสันอะไรทรงอุปมาเหมือนคนที่หลงเข้าไปในสวนดอกไม้ซึ่งมีต่างๆสีต่างๆพันต่างต่างกลิ่นและมัวเพลิดเพลินอยู่ในสวนดอกไม้ผ่านการเวลาไปเรื่อย แล้วก็หลงอยู่ในป่าในสวนดอกไม้เหล่านั้นถึงใช้คำว่ามัจจุรา จ, จมชุดฆ่าบคุคคลผู้มัวเพลิดเพลินเลือกเก็บพวงดอกไม้แห่งมานอยู่ไปสู่อำนาจของตนเป็นสานวนที่ออกจะเป็นบาลีธรรมะหน่อยแนึ่งว่า มัจุราชนั่นคือความตายพวงดอกไม้ของมานั้นก็คือสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสปทุภะในที่นี้ทรงใช้คำว่าพวงดอกไม้ของกองมานก็นี้ลองสังเกตว่าบางครั้งบุคคลก็เพลินไปโดยผ่านการเวลาไปโดยไม่ได้เกิดสาระประโยชน์อะไรขึ้นมาคือการปล่อยการเวลาผ่านพ้นไปโดยไม่เกิดสาระประโยชน์เท่านั้นที่ท่านถือว่า เป็นความสูญเปล่าของชีวิตตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าแท้จริงแล้วการทํางานทุกอย่างมันก็ใช้การเวลาทั้งนั้นทําผ่านผ่านการเวลาไปด้วยการทั้งนั้นแต่ว่าถ้าการเวลาที่ผ่านไปมีความคุ้มค่ามีผลประโยชน์เกิดขึ้นมีปัญญาเกิดขึ้นมีความสงบเกิดขึ้นมีเกลเอเจอจังบ า, บางลงไปจากจิตใจจน ตนเองรู้สึกได้หรือแม้คนอื่นรู้สึกได้ว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมีอาการทางกายดีขึ้นมีอาการทางวิาญา์ดีขึ้นก็แสดงว่าจิตใจมีความสงบประนีตขึ้นซึ่งช่วงที่จะต้องใช้ไปเพื่อการประพฤติปฏิบัติในลักษณะนี้ก็ต้องผ่านการเวลาไปเหมือนกันแต่าการเวลาที่ผ่านไปนั้นมีความคุ้มค่ามีการได้ประโยชน์ ท่านจึงยกจ้องการใช้เวลาในลักษณะนี้แต่การใช้เวลาในลักษณะนี้จะต้องไม่หนักไปในทางกำหนดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนดเพราะถาหนัน ไ, นไปในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนดฉันยกตัวอย่างว่าสนุกเพเลิดเพลิน้วยการเล่นโดยการเล่นการพนันคือจิตใจมันจะเต้นอยู่ระหว่างโลภะกับโทสะที่พระเจ้าทรงใช้คาว่า แพ้ก็เสียดายทรัพย์ชนะก็ก่อเวรแพ้ก็เสียดายทรัพย์ชนะก็ก่อเวรใจมันก็วิ่งอย่างนี้พอในขณะที่ตัวเองชนะก็อยากชนะต่อแต่ในขณะเดียวกันก็ปลูกเวรเกิดขึ้นภายในจิตใจของคนที่แพ้ต้องการจะแก้แค้นพอตัวเองแพ้ก็เกิดเสียดายทรัพย์เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาพเพียรพยายามที่จะแก้ตัวคืนเอาทรัพย์ ที่เสียไปเกิดมาให้ได้ตกลงว่าใจก็เกิดความยินดีกับความยินไร้ต้องประสบทั้งทุกข์ทั้งสุขแต่ว่าทั้งสองประการนั้นเพิ่มกิเลสขึ้นภายในใจแม้กลับมาสู่บ้านแล้วถาชนะความโลภก็กระเพือขึ้นภายในใจอยากชนะเพิ่มเติม ถ้าแพ้ก็นอนมือไก่นาผักต้องการจะแก้แค้นต่อในขณะนั้นก็ประสบเวทนาด้วยกันประสบสุขบ้างทุกบ้างแต่สุขก็จะมีลักษณะดิ้นคือบังคับจิตให้ดิ้นไปเพื่อคอยคว้าสแสวงหามาเพิ่ ม, เ ต, มเติมอีกในเชิงของการประพฤติปฏิบัติท่านจึงถือว่าเป็นทางสืบ เพราะไรเพราะาการเวลาของตนที่สูญเสียไปนั้นไม่ได้มีการลดกิเลสแต่เป็นการเพิ่มกิเลสแต่ในทานองเดียวกันเมบุคคลใช้การเวลาผ่านพ้นไปโดยการฟังธรรมจำศีลจเจริญสมถกรรมฐานนิปปัตนากรรมฐานที่จริงมันก็ประสบทั้งสุขเวทนาทั้งทุกขเวทนาเหมือนกันเวทนามองก็เกิดขึ้นด้วยกัน แต่ว่าเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นมีผลมาจากการลดละบันเทากิเลสคือกิเลสในการมีการลดละบันเทาลงไปอย่างน้อยในกรณีของการฟังก็ลดโมหะลงไปลดความหลงความไม่รู้ลงไปถ้าจิตใจสามารถสงบอยู่ได้ด้วยการฟังด้วยการปฏิบัติได้มันก็ลบสงบได้ทั้งโลโกรธโกรง ควจะสงบได้ระดับใดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งการปฏิบัติในลักษณะนี้แม้ในชั้นของศีลธรรมจัญยาก็ผ่านการเวลาสูญเสียการเวลาไปด้วยกันแต่เพิ่มคุณภาพในด้านจิตใจขึ้นเป็นการเสียเวลาไปในลักษณะที่คุ้มค่าซึ่งก็ทำนองเดียวกับเรื่องของอบายจมุก พวกอภาัยามุขทั้งหลายนั้นพึงสังเกตว่าพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงโทษประการหนึ่งคือเสียเวลากับเสียทรัพย์แต่แท้จริงแล้วชีวิตคนมันก็ต้องเสียเวลาทั้งเสียเวลาทั้งทรัพย์ด้วยกันทําไมการเสียเวลาเสียทรัพย์บางอย่างจึงจัดเป็นอบาัยามุขบางอย่างจึงไม่จัดเป็นอบายามุขก็เพราะว่าพวกอบาัยามุขนั้นเป็นการเพิ่มกิเลสเป็นการลดคุณค่าของชีวิตให้ตกต่า เสียทรัพย์เสียเวลาด้วยกันแต่ในการศึกษาประพฤติปฏิบัติความดีนั้นเป็นการลดกิเลสเพิ่มความดีของตนเองขึ้นมาได้ในระดับใดระดับหนึ่งทันจริงไม่จัดเป็นทางเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญในชีวิตในการศึกษาและในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลผู้นั้นนั้นการใช้สติกำหนด ระลึกในด้านต่างๆนั้นในชั้นของการระลึกก็ระลึกรู้ในแง่ที่อารมณ์เหล่านั้นจะมีส่วนในการเพิ่มกิเลสแล้วก็ปิดกั้นหรือไม่สนใจเป็นต้นในเชิงของการปฏิบัติแล้วก็มีตั้งแต่ต้นๆ ที่จริงธรรมปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นการปูพื้นฐานสร้างเหตุปัจจัยมาสู่จุดร่วมอย่างเดียวกันคือความสงบระ ง, งับดับเพลิงกิเลสได้เพลิงทุกตำมนอง ก, การให้การศึกษาที่มีการกระทําอยู่แม้จะเริ่มด้วยพยัญชนะตัวเดียวก็ตามแต่ว่า มีจุดมุ่งหมายปลายทางก็เกิดต้องการจะให้คนมีความรู้ดีมีความประพฤติดีมีความสามารถดีได้สิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นเหตุปัจจัยซึ่งการในกันเข้าสนับสนุนกันธรรมปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแม้จะเริ่มในขั้นพวกศีลในขั้นมงคลในขั้นของพวกทิฏฐกเป็นต้นก็มุ่งที่จะไปสู่การ ลดละบันเทากิเลสได้เจรจางกว่าบางลงไปในชั้นก็การดํารงชีวิตพอถึงการหลีกเว้นจากสถานที่จากบุคคลบางอย่างจะน้อยก็เป็นการดับวิญญาณบางประการแม้จะไม่ดับปฏิสนธิวิญญาณแต่การดับการเกิดของวิญญาณโดยการที่ตาเห็นรูปเป็นต้นเพื่อตัดพาหะที่จะนําเชื้อโรคมาสู่ใจของตอนเอง อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้อยู่ในประเทศที่สมควรครบหาสัตว์บุรุษไม่คบคนพานเป็นต้นนั้นก็เพื่อต้องการดับวิญญาณบางประการโดยเฉพาะวิญญาณที่พอรู้แล้วเกิดทุกขเวทนาจะเกิดร่มหลงเพลิดเพลินตกอยู่ในหลุมบ่อของอบายมุขในสำนวนปัจจุบันที่ก็พูดว่าสิ่งแวดล้อมปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ปัญหาทางนิเวศวิทยาแลยจำนวนวิชาการในปัจจุบันจริงเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้ า, าก็ทรงแสดงมาตั้งแต่ต้นทรงใช้คำรวมๆ ว, ว่าปฏิรูปประเทศคือสถานที่อยู่ที่เหมาะที่ควรคือมีการเกื้อกูลต่อการปฏิบัติเพื่อลดละปันเ่า ก, กิเลสไม่ใช่เป็นการเพิ่มพูนกิเลสขึ้นในการคบคนบางอย่างหูอาจจะได้ยินเสียงที่ก่อให้เกิดกิเลส ถ้าเราไม่ควบคนผ่านเราก็ดับวิญญาณในส่วนนี้ได้พอได้ยินได้ฟังท้อยคำของบรรดุลของบัณฑิตของสัตว์บุรุษวิญญาณเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องเปดัดเราต้องการจะให้รู้ในลักษณะที่ต่อเ น, นื่องการดับวิญญาณในขณะในชั้นของการงดเว้นสถานที่บุคคลที่เกี่ยวข้องก็ดีขั้นสำร ว, งวางอินทรีย์ก็ดีคือมุ่งที่จะดับวิญญาณในกรณีที่จะเพิ่มกิเลส เป็นประการสาคัญแต่ในขณะเดียวกันบุคคลจะต้องเข้าใจถึงความจริงว่าบิญญาณคันนั้นจะเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพื่อไม่ให้จิตใจส่ายไปคอยคว้าโดยอำนาจกำนัดและความเพลิดเพลินในอารมณ์เหล่านั้นมากเกินไปพอมาถึงชั้นของการ ร, รุดปฏิบัติ ในส่วนที่ก่อให้เกิดความสงบบุคคลก็สามารถที่จะดับบิญญาณซึ่งเป็นปัจจัยของเวทนาได้เป็นอันมากท้านี้ขึ้นอยู่กับว่าในกา ร, รปฏิบัตินั้นได้เดินไปถึงขั้นไหนโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือมโนบิญญาติคือความรู้ทางใจที่เกิดจากการตรึกนึกการวิตกกังวล การสายไปของใจด้วยวิธีการต่างๆแล้วก็ให้เกิดเป็นความเพลิดเพลินหรือคลื่นบกคลื่นใจในอารมณ์ทั้งหลายบางครั้งก็อาจจะเป็นการฝันการสร้างวิบากในอากาศบางทีก็มีความฝันในลักษณะที่เดือดรอยเป็นตนถ้าหากว่าบุคคลมีสติระลึกรู้ดูจิตของตนในขณะนั้น ก็สามารถที่จะดับวิญญาณในส่วนนี้ลงไปได้เมื่อดับได้เวทนาก็จะดับตามไปด้วยเพราะเวทนาเป็นผลที่ต่อเนื่องมาจากวิญญาณแต่ในขณะเดียวกันบุคคลก็อาจจะมาดูที่วิญญาณที่ที่ตัวเวทนาเองก็ได้เ ว, เวทนานั้นในส่วนลึ ก, ลก ใจคนจะมีความกำหนดคือปรากฏแก่ใจไม่เด่นชัดหมดแต่ว่าอย่างน้อยที่สุด ก, ก็รู้สึกอเวทนาเป็นของเราเราเป็นเจ้าของเวทนาจึงเกิดเป็นความสุขความทุกข์ต่อเวทนาเหล่า น, นแต่ถ้าเวทนาของคนอื่นคือถ้าใจไม่ยอมรับเวทนาเป็นของเราหรือเราไม่ได้เป็นเจ้าของเวทนาเราก็ไม่รู้สึกอะไร กรณีลองดูตัวอย่างเช่นคนอื่นก็เจ็บไายได้ป่วยดิ้นรนครวนครางกันด้วยประการต่างๆเราก็ไม่รู้สึกปวดเพราะอะไรเพราะเวทนานั้นไม่ใช่ของเรานั่นก็อาจจะไกลไปแม้เวทนาที่เกิดที่ตัวเราเองจะเป็นสุขกต็กกตามทุกข์ก็ตามี่เกิดขึ้นแก่ตัวเราเองถ้าเราไปให้ความสำคัญแก่แก่ตัวเวทนาจะเพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่นเกิดหนาวจัดหรือร้อนจัดแ้าใจเราไปบวกเข้าว่าแมมหนาวเหลือเกินแม้ร้อนเหลือเกินความหนาวจะเพิ่มขึ้นเตะทำเฉยๆทำงานไปเฉยๆไม่สนใจมันหนาวเท่าที่มันหนาวคือหนาวเท่าที่กายหนาวร้อนเท่าที่กายร้อนใจจะไม่ร้อนตามไปใจจะไม่หนาวตามไปตกลงว่าหนาวได้เท่าที่มันหนาว ลักษณะของความรู้สึกเช่นนี้เองที่รพระพุทธเจ้าทรงใช้คําว่าเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนามันก็สักว่าเวทนาแต่นั้นเองเท่าที่มันเป็นเท่าที่มันมีมันก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยถ้าเราไม่เอาใจไปบกุกมันก็เป็นอย่างอย่างที่มันเป็นแต่ที่ปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนเพราะเวทนาเป็นเหตุ แล้เพียนพยายามที่จะแสวงว่าอาเวทนาซึ่งเป็นสุขกันด้วยประการต่างนี้เพราะส่วนลึกของใจอย่างที่ว่ามาแล้วว่าเรามีความรู้สึกอเวทนานั้นเป็นของเราหรือเราเป็นเจ้าของเวทนาเมื่อมีความรู้สึกก็เป็นของเราก็พยายามที่จะประคบประคองรักษาไอ้สุขเวทนาคือวเวทนาที่เราต้องการเอาไว้พอเวทนาเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปเช่นว่า รู้ ง, ง่ายก็นั่งสบายแล้วก็เพื่อนมาหรือว่าใครมาใช้ให้ไปทําอะไรเนี่ยเราก็เกิดความโทมนัสความไม่พอใจเพราะอะไรเพราะไปทําลายสุขเวทนาของเราแต่รู้สึกว่าการนั่งอย่างนี้การนอนอย่างนี้เราเป็นสุขเพราะาใครไปพลากจากความสุขเราก็เกิดเป็นโทสะเกิดเกิดเป็นความไม่พอใจขึ้นมาเวทนาเราก็เปลี่ยนเป็นทุกขเวทนาและในขณะที่ได้ทุกขเวทนาอยู่นั้น พอเขาบอกให้เราไปทําสิ่งที่เราชอบเราก็มีความรู้สึกเวทนานั้นเป็นของเราเรากเกิดได้ความเพลิดเพลินในตัวเวทนาเราดังนั้นความรู้สึกเหล่าเนี้จึงเป็นตัวกําหนดให้เราเดือดร้อนเพราะเวทนาเป็นเหตุแต่จริงๆแล้วที่ท่านแสดงไว้ในบาลีบอกมีความรู้สึกอยู่สี่ทางคือเวทนาเป็นเรา เราเป็นเวทนาหรือเราเป็นเจ้าของเวทนาหรือเวทนาเป็นของเราฟังชัดๆ ด, ดูง่ายดีแล้วเรามีในเวทนาเวทนามีในเรานี่มันอยู่ลึกๆเป็นความรู้สึกที่ลึกๆคือเอาตัวเราไปผูกพันกับเวทนาถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือเอาใจไปผูกกับเวทนาเอาใจไปผูกกับทุกข์เอาใจไปผูกกับสุขเอาใจไปผูกกับร้อนเอาใจไปผูกกับหนาวมันก็กลายเป็นนหนึ่งันเดียวกัน แต่ถ้าแยกออกจากกันก็คล้ายๆกับของเย็นๆอยู่เนี่ยเราก็วางไว้ในที่ที่แกควรอยู่แม้จะมีไฟอยู่ใกล้ๆนั้นแต่แกก็อยู่ห่างไฟแกก็ไม่ร้อนใจเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันที่จริงใจกับ ก, กิเลสมันคนละเรื่องกันแต่พอดีเราใจไปวางไว้ที่กิเลสใกล้ๆก็เอา สิ่งของทึ่เย็นเย็นอยู่ไปวางในที่ร้อนเมื่อวางเข้ามันก็เป็นพวกเดียวกันแล้วก็ถูกความร้อนแผดเผาเลยใจก็ร้อนตามไปด้วยตัวเวทนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเวทนามันเป็นตัวปรุงจิตแกก็ไม่ใช่จิตแต่แกเข้ามาปรุงจิตซึ่งก็หมายความว่าเราก็สามารถแยกไอ้ตัวเวทนานั้นออกไปจา ก, กจิตได้เวทนาที่มันเกิดที่กายก็ให้มันอยู่ที่กาย จะเกิดตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ดับไปในตรงนั้นที่จริงแล้วโดยสภาพของแกแล้วก็เป็นอย่างนัง้นแต่ว่าเพราะขาดสติเป็นเครื่องกําหนดระลึกรู้ถึงสภาวะที่แท้จริงของเวทนาทั้งหลายปัญญาคนจึงสามารถสายไปเพลิดเพลินกับเวทนาที่ดับไปแล้วตั้งหลายสิบปีก็ได้คอยขวายคว้าต่อเวทนาที่ไม่รู้จะเกิดหรือไม่เกิด ล่วงหน้าหลายหลายปีก็ได้จะอาจะตั้งความหวังว่าปีอายุเท่านั้นจะทำอย่างนั้นอย่างนั้นจะฉลองอายุอะไรอะไรนี่นี่ก็แสดงว่าเอาใจไปผูกไว้กับเวทนาซึ่งไม่รู้จะเกิดได้หรือไม่เกิดได้เพราะว่าชีวิตเราจะอยู่ถึงหรือไม่ถึงเราก็ไม่รู้ เพราะอะไรเพราะมีความรู้สึกผูกพันระหว่างตนกับเวทนาระหว่างใจกับเวทนานั่นเองดังนั้นในช่วงแคบแคบในช่วงขณะนั้นนันเช่นในขณะนี้มีสุขเวทนาบ้างทุกเวทนาบ้างก็มีความรู้สึ ก, กเวทนาเป็นของเราเราเป็ น, เ, เ, ร เ, ปน เ, เราเป็นเจ้าของเวทนาจิตใจก็เข้าไปบวกกับเวทนาเหล่านั้น จึงทำให้เปลี่ยนแปลงเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขไปตามสมควรแก่กรณีดันั้นธรรมะปฏิบัติในที่นี้ทรงสอนให้มองเวทนาในแง่ของความไม่เที่ยงในแง่ของความเป็นทุกข์ในแง่ของความไม่ใช่ตัวใช่ตนเพื่อถ่ายทอนความรู้สึกที่เป็นตนกับเกี่ยวเนื่องด้วยตน คือำนวนเหล่านี้ทรงใช้หลายวิธีเรื่องอัตตาอัตตนิยาคือตนก็เกี่ยวเนื่องด้วยตนค้อนี้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องเดียวกันกับยึดถือว่าด้วยอำนาจตันหามานะทิฏฐิเราจะเห็นว่ายึดถือด้วยอำนาจมานะนั้นคือเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นแต่แท้จริงแล้วมันเกิดสืบเนื่องมาจากยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเรา เป็นตัวเป็นตนของเราพอเราได้เป็นอะไรเข้าก็ยึดถือว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้การยึดถือในหน้าตันหาเป็นความรู้สึกที่ต่อเนื่องมาจากการยึดถือในทิฏฐิเมื่อมีเราจึงมีของเราถ้าไม่มีเราไอ้ของเรามันก็ไม่มีแต่เพราะอาศัยความรู้สึกว่าเป็นเราพอมีอะไรเกิดขึ้นก็มีความรู้สึกว่าของเราแต่ถ้าความรู้สึกว่าเป็นเราไม่มีความรู้สึกว่าเป็นของเรามันก็ไม่มี ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อ